บ่ายสองโมงของวันเสาร์ที่23สบสามกุมภาพันธ์ขณะที่ท่านพระครูกำลังรับแขกอยู่ที่กุฏิชั้นล่างนางสาวกิมเจงก็เดินร้องไห้กระสิบ ก, กระสิบเข้ามาหลวงพ่อเตียตายแล้วหล่อนตะโกนข้ามศีรษะแขกเรือที่นั่งเบียดเสียดกันอยู่หน้าอาสนะอ้าวอีนูตะโกนข้ามหัวแม่โวซะแล้วสตรีวัยกลางคนพูดขึ้นนางกาลังหงุดหงิด เพราะยังอีกนานกว่าจะถึงคิวฉันยังไม่มีผัวถ้าจะมีก็ไม่เอาคนอย่างลือ ม, มาเป็นแม่ผัวหรอกสาววัยเต็มยี่สิบยังมีแก่ใจเถียงโกรธผู้หญิงคนนั้นเลยต้องหยุดร้องไห้ไหนเข้ามาพูดใกล้ๆสิญาติโยมโปรดหลีกทางให้เขาเข้ามาหน่อยท่านพระครูออกคำสั่งบุตรสาวนายหิม จึงเดินแหวกผู้คนเข้ามาจะค้อมหลังให้สักนิดก็ไม่มีโอ้ยกริยามารยาทอย่างนี้ฉันก็ไม่เอามาเป็นลูกสะั้ยให้ปวดกระบาลฉันหรอกหญิงคนเดิมว่าอีกหากคราวนี้นางลดเสียงลงด้วยไม่ต้องการให้คนถูกว่าได้ยินไงล่ะหนูเตี่ยตายเมื่อไหร่แล้วเจนวลนี ออกจากโรงพยาบาลแล้วหรือยังท่านเจ้าของกุฏิถามตมายเมื่อตอนเที่ยงนี่เองค่ะแม่ห้หนูมาบอกหลวงพ่อว่าจะเอาศพมาไว้ที่วัดนี้อา玛ก็ยังอยู่โรงพยาบาลจะมาสวดกงเต็กที่นี่หรือคงไม่ได้หรอกหนูเพราะเสียงจะไปรบกวนคนที่เข้ากรรมาฐานเอาไว้ที่บ้านนั่นแหละจะเผาหรือฝังละ่ะ ยังไม่รู้เลยแม่ว่าต้องรอถามอมา마ก่อนสงสัยอา마แกคงรู้ว่าเตี๋ยจะตายวันนี้แกบอกให้หนูมกับแม่กลับบ้านมาดูเตีย๋ยบอกถ้ามีปัญหาอะไรก็ให้มาถามหลวงพ่อที่หลวงพ่อพูดเมื่อวันไปเยี่ยมอมา마ว่าอีกสามวันพวกหนูก็จะได้ใช้ชุดกงเตกนะ่ะแปลว่าหลวงพ่อรู้ว่าเตี๋ยจะตายใช่ไหมทําไมหลวงพ่อไม่บอกตั้งแต่วันนั้นหลวงพ่อน่าจะช่วยเตียอย่างน้อย ก็ให้น้องสามคนเรียนจบซะก่อนหล่อนรายงานแถมท้ายด้วยกันต่อว่าท่านพระครูทำไมหลวงพ่อจะไม่ช่วยหลวงพ่อช่วยจนสุดความสามารถแล้วแต่เตี๋ยหนูเขาไม่ช่วยตัวเองชวนมาเข้ากรรมฐานก็ไม่เอาให้เอาแผ่นสวดมนต์ที่อาม่ามาสวดก็ไม่เอาครั้งหลังสุด หลวงพ่ออุตสาหจดบทสวดพุทธคุณให้ไปท่องเขาก็ไม่ยอมท่องอีกห่วงแต่เรื่องทำมาหากินเสร็จแล้วเป็นยังไงนี่แหละเป็นเพราะเขาไม่ยอมเชื่อหลวงพ่อไม่ยอมเชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษถึงตัวหนูเองก็ไม่เชื่อใช่ไหมละ่ะหนูเป็นคนสมัยใหม่นี่คะ่ะเอาเถอะหนูกําลังเศร้าโศก ไม่อยากเถียงกับหลวงพ่อตกลงหนูจะไปบอกแม่ว่าหลวงพ่อให้เอาศบไว้ที่บ้านงั้นหนูลาละ่ะจะไปตามน้องสาวสามคนที่เรียนอยู่ลพบุรีหล่อนพูดอย่างไม่สบอารมณ์นึกขัดเคืองมารดาที่ส่งหล่อนมาขอความช่วยเหลือจากท่านที่จริงแล้วหล่อนไม่ได้รับความช่วยเหลือใดๆเลยไม่ต้องไปตามหอกหนูน้องๆเขารออยู่ที่บ้านแล้ว กลับไปช่วยแม่เขาเถอะแล้วก็ไม่ต้องไปบอกหนูกิมหวยที่กรุงเทพหรอกอาม่าหนูเขาคงบอกแล้วท่านพระครูช่วยเหลือทั้งที่ฝ่ายนั้นคิดว่าท่านมิได้ช่วยอะไรเลยเดี๋ยวไปละลุงพ่อหล่อนกราบเหมือนไม่เต็มใจแล้วลุกเดินดุมๆออกมาเหมือนเมื่อตอนเข้าไปแหม กริยาอย่างกระมาดีดกะโลกแบบนี้หลวงพ่อให้มันเป็นลูกิตร้ยังไงคะสตรีไวกลางคนได้โอกาสนินทาลับหลังจะเป็นม้าดีดกะโลกหรือช้างดีดกะโลกอาตมาก็ต้องรับทั้งนั้นแหละโยมที่วัดป่ามะม่วงไม่มีการสอบคัดเลือกแต่น้องสาวเขาเรียบร้อยดีนะคนที่ชื่อกิมหวย ที่อัตมาพูดถึงนะ่ะส่วนแม่หนูคนนี้ชื่อกิมเจงท่านพระครูถือโอกาสอธิบายทั้งที่ไม่มีผู้ถามจริงหรือคะไม่น่าเป็นไปได้พี่น้องกันก็น่าจะเหมือนเหมือนกันไม่เสมอไปหรอกโยมโบราณเขาถึงสอนเอาไว้ว่าไม้ไผ่ยังต่างปล้องพี่น้องยังต่างใจ มันต่างกรรมต่างวาระจะให้เหมือนกันได้ยังไงโอ้โหหลวงพ่อพูดเกือบเป็นกรอนเลยครับบุรุษที่นั่งหน้าสุดเอ่ยปากชมอ๋อยางงั้นหรือกรอนประตูหรือกรอนหน้าต่างเลยโยมท่านถามยิ้มยิ้มผู้ที่นั่งณที่นั้นไม่มีผู้ใดกล้าคิดปฏิเสธว่ายิ้มของท่านไม่สวย ไม่ใช่ทั้งสองอย่างครับกรอนในที่นี้หมายถึงบทกรอนหลวงพ่อพูดเกือบเหมือนบทกรอนที่ว่าเกือบเหมือนไม่คอมว่ายังเหมือนไม่ทั้งหมดคือเหมือนครึ่งหนึ่งไม่เหมือนครึ่งหนึ่งครับเขาอาธาิบายท่านพระครูรู้สึกคลับคล้ายคลับคลา ว, ว่าลักษณะการพูดแบบนี้น้ำเสียงอย่างนี้เหมือนใครหนาแล้วก็นึกออกว่าเหมือนนายสมชายลูกศิษย์ก้นกุฏิของท่านนั่นเอง เอาละใครมีอะไรก็ว่าไปวันนี้อาตมาเห็นจะต้องเลิกเร็วหน่อยจะไปเยี่ยมศพเตียของแม่หนูคนนั้นยิ่ ม, มาดิดกระโลกนะหรือคะหญิงกลางคนถือโอกาสว่าอีกอย่ากเก็บเรื่องของคนอื่นมาเป็นอารมณ์เลยโยมอาตมาขอร้องเถอะเขาจะเป็นยังไงก็เรื่องของเขา ก็กรรมเขาทำมาอย่างนั้นท่านเจ้าของกุฏิกล่าวเตือนสตรีนั้นจึงสงบปากสงบคำลงนายทหารยศพันโทวัย37ก้มลงกราบท่านพระครูสามครั้งแล้วจึงเริ่มเรื่องเข้ามาถึงก่อนใครเพื่อนจึงได้พูดธุระกับท่านเป็นคนแรกลุงพ่อครับผมรอดตายอย่างปาฏิหาริย์พร้อมบารมีของลุงพ่อกุ้มครอง พูดอย่างสำนึกในบุญคุณของท่านถ้าไม่ได้หลวงพ่อป่านนี้ผมคงสิ้นชื่อไปแล้วเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงมองหน้าเขาอย่างพินิจจึงรู้ว่าบุรุษผู้นี้เคยมาหาท่านเมื่อสองเดือนที่ผ่านมาและท่านก็เห็นว่าเขาจะต้องตายเพราะตกจากที่สูงจึงแนะนำให้มาเข้ากรรมฐานเป็นเวลาสองสัปดาห์เพื่ออุทิศส่วนกุศล ให้เจ้ากรรมนายเวรเขาปฏิบัติตามด้วยการไปทำเรื่องลาราชการแล้วมาปฏิบัติกรรมฐานอย่างเคร่งครัดจนครบส4สี่วันและเมื่อเขาลากกับท่านก็เห็นว่าเขาปลอดภัยแล้วพ่อจะเล่าสู่กันฟังได้หรือเปล่าถ้าได้อาตา ม, มาอยากให้ญาติโยมเขารับรู้ด้วยยินดีครับหลวงพ่อ และผมก็เห็นว่าจะเป็นประโยชน์กับคนฟังด้วยอย่างน้อยๆก็ทำให้รู้ว่ากรรมฐานนั้นมีอานิสงส์มากสามารถทำให้คนที่ถึงที่ตายรอดชีวิตได้อย่างน่าอัศจรรย์แล้วจึงเล่าว่าหลังจากออกจากวัดแล้วก็ได้กลับไปทำงานตามปกติเขาเป็นทหารพลร่มของค่ายทหารจังหวัดลบบุรีเมื่อสัปดาห์ที่แล้วได้ไปฝึกซ้อมดิ่งพระสุธา บริเวณเหนือพื้นที่เขตอำเภอชัยบาดาลและได้ประสบกับเหตุการณ์ที่ยังไม่เคยเกิดขึ้นกับผู้ใดามาก่อนกล่าวคือเมื่อเขาพุ่งตัวลงจากเครื่องบินและดิ่งลงมากลางเวหานั้นทหารคนที่ต่อจากเขาคงจะพุ่งตามมาก่อนเวลาที่กำหนดจึงมาชนกับเขาอย่างแรงวิธีนั้นเป็นเวลาเดียวกับที่ร่มของเขากางพอดีแรงประทะ ทำให้เขาถึงกับสลบในทันทีและคนที่ตกอยู่ในภาวะเช่นนั้นจะต้องตายเพราะร่างกายจะกระแทกกับพื้นเหมือนของที่ตกลงจากที่สูงก่อนถึงพื้นดินทหารพลร่มจึงต้องโยงตัวขึ้นเพื่อจะได้ไม่กระทบกับพื้นแรงเกินไปแต่คนที่หมดสติย่อมไม่มีโอกาสทําเช่นนั้นได้และถ้าตกลงไปในน้ำก็ต้องจมน้าตาย ก่อนสัมปชัญญะจะดับวูบลงเขาระลึกถึงท่านพระครูและเมื่อรู้สึกตัวอีกครั้งก็พบว่าตัวเองนอนอยู่บนเตียงของโรงพยาบาลประจำอำเภอเขาไม่ได้ตกลงสู่พื้นดินหรือพื้นน้ำหากไปครั้งอยู่บนยอดไม้กลางป่ากว่าจะมีคนมาพบและนําส่งโรงพยาบาลก็เกือบสายเพราะแพทย์บอกว่าหากมาช้าอีกเพียง20นาทีก็ไม่อาจช่วยชีวิตไว้ได้ เป็นความบังเอิญอย่างมหัศจรรย์ที่สุดเลยครับหลวงพ่อชาวบ้านเล่าตอนผมฟื้นว่าขณะที่ช่วยกันหามผมมาตามถนนลูกรังก็พบรถกระบะคันหนึ่งจอดอยู่พวกเขาจึงขอให้ช่วยเอาผมส่งโรงพยาบาลเจ้าของรถบอกผมว่าช่างมีบุญจริงๆ ร, รถเขาเสียแกอยู่ตั้งหลายชั่วโมงพอแกเสร็จและกำลังจะไปผมก็มาถึงพอดีพวกชาวบ้านยังบอกอีกว่าถ้าไม่ได้รถกระบะคันนั้น ผมก็คงไปไม่ถึงโรงพยาบาลเพราะแถวนั้นไม่ค่อยมีรถวิ่งผ่านสองสาวันจึงจะมีมาสักคันหนึ่งเป็นเพราะบารมีของหลวงพ่อแท้ๆผมขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงที่ได้เมตตาช่วยชีวิตผมเขาก้มลงกราบสามครั้งไม่ใช่บารมีของอัตมาหรอกผู้พันบารมีของผู้พันเองนั่นแหละเพราะถ้าผู้พัน ไม่ยอมเข้ากรรมฐานอาตมาก็ช่วยอะไรไม่ได้แต่ถ้าหลวงพ่อไม่บอกผมผมก็ไม่ได้มาเข้าผมถึงว่ารอดตายคราวนี้เพราะบารมีของหลวงพ่อนายทหารพยายามพูดยกความดีให้ท่านพระครูเอาละ่ะถ้าอย่างนั้นอาตมาก็อยากสรุปให้ญาติโยมฟังว่า การปฏิบัติกรรมฐานเป็นการสร้างบารมีขอให้เร่งปฏิบัติกันเข้าทำให้ได้ทุกวันเป็นการสะสมหน่วยกิจนโยมนะแล้วคนที่ชนกับผู้พันตายหรือเปล่าคะเสีงสยงใสๆถามขึ้นคนถูกถามหันไปทางเจ้าของเสียงก็พบสตรีสาวหน้าตาน่ารักยิ้มให้อย่างเป็นมิตรไม่ตายหรอกครับ แล้วหันมาทางท่านเจ้าของกุฏิพลางกล่าวต่อไปว่าน่าแปลกนะครับหลวงพ่อคนที่เขาชนผมเขาไม่เป็นอะไรเลยและเขาก็คิดว่าผมไม่เป็นอะไรเหมือนกันที่ไหนได้ผมเกือบไม่มีโอกาสได้มากราบเรียนให้หลวงพ่อทราบเสียแล้วนั่นแหละเจ้ากำนายเวรของผู้พันละเมื่อชาติก่อนเคยเป็นเพื่อนกันแล้วผู้พันก็ทาให้เขาตายโดยไม่ได้ตั้งใจ มาชาตินี้เขากดเลยทำให้ผู้พันตายโดยไม่ได้ตั้งใจเหมือนกันถ้าไม่มาเข้ากรรมฐานรับรองป่านนี้ชาปน ก, กิดไปแล้วท่านถือโอกาสสั่งสอนญาติโยมว่าท่านทั้งหลายเห็นหรืออย่างว่าเรื่องของกรรมนั้นซับซ้อนเลือกเกินขนาดทำให้เขาตายโดยไม่มีเจตนา ก็ยังต้องมาชดใช้เหมือนอย่างอาตมาเคยเหวี่ยงท่อนไม้ไปถูกสุนักเลือดไหลออกจมูกวันดีคืนดีอาตมาก็ถูกเสาเต็นท์หลุดพุ่งมาปะทะหน้าเลือดไหลออกจมูกเหมือนกันดีนะที่แว่นตาไม่แตกท่านชี้แว่นที่สมอยู่ที่แว่นไม่แตก เพราะไม่ได้ทำกรรมไว้คือสุนัขตัวนั้นมันไม่ได้สวมแว่นถ้าสวมก็คงแตกแล้วแว่นตาอาตมาก็จะต้องแตกเหมือนกันนี่อาตมาคิดเอาเองนะผู้ที่นั่งณนะที่นั้นหัวเราะกันรืนในความมีอารมณ์ขันของท่านกรรมที่ทําโดยไม่มีเจตนาก็ต้องอใช้หรือค้าหลวงพ่อ เสียงใสๆถามอีกไม่เสมอไปหรอกโยมอาตมาจะเปรียบเทียบให้เห็นง่ายๆสมมุติอาตมาจะซื้อแก้วสักโหลหนึ่งก็เข้าไปเลือกเลือกไปเลือกมาเลยทำตกแตกไปใบหนึ่งแบบนี้โดยมารยาทอาตมาต้องชดใช้เขาใช่หรือเปล่า ถ้าแก้วราคาใบละห้าบาทก็จะต้องจ่ายเข้าไปทั้งทั้งที่ไม่มีเจตนาจะทำให้แตกแต่ถ้าสมมุติเจ้าของร้านเขาบอกว่าไม่เป็นไรหรอกหลวงพ่อผมไม่คิดเงินหรอกอย่างนี้แปลว่าเขาอโหสิอาตมาก็ไม่ต้องใช้แต่ทีนี้เจ้าสุนัขตัวนั้น มันคงอาคาดอาตมาก็เลยต้องชดใช้ไปตามระเบียบเอาเถอะในเรื่องนี้อาตมาขอสรุปสั้นๆว่ากรรมเก่าให้รีบใช้กรรมใหม่อย่าไปสร้างกรรมในที่นี้หมายถึงกุศลกรรมนะไม่ได้หมายถึงกุศลกรรมเพราะถ้าเป็นกุศลกรรม เราจะต้องสร้างต้องเสริมเพื่อเพิ่มบารมีให้ตัวเองคนที่มีบารมีมากๆพอถึงคราวที่กรรมชั่วมาให้ผลก็ช่วยให้ทุเลาเบาบางลงได้ในกรณีของผู้พันแทนที่จะต้องเสียชีวิตก็ทำให้เจ็บตัวแทนอยู่โรงพยาบาลกี่วันละ่ะคนถูกถามกลับเรียนว่า เพิ่งออกเมื่อวานนี้เองครับรุ่งเช้าผมก็มาหาลุงพ่อเลยหมอเขาบอกอาการหนักมากแต่ผมอยากมาหาลุงพ่อเร็วๆเลยภาวนาทุกวันปรากฏว่าหายวันไข้คืนจนหมอเอ่ยปากชมเขาเล่าอย่างปิติแล้วคุณนายทำไมไม่มาด้วยเพิ่งฟื้นไข้น่าจะตามมาพยาบาลท่านแกล้งถามเพื่อจะเปิดทางให้เสีงสยงใสๆรู้ว่า นายทหารหนุ่มผู้นี้ยังเป็นโสดก็เห็นหนอบอกว่าคนคู่นี้เป็นเนื้อคู่กันผมยังไม่มีคุณนายหรอกครับหลวงพ่อก็ว่าจะให้หลวงพ่อช่วยหาแถวๆวนี้ให้พูดจบก็หันไปสบตากับคนเสียงใสเจ้าหล่อนอายม้วนก้มหน้าดูพื้นท่านพระครูพูดทีเล่นทีจริงว่าตกลงตกลงอาตมา จะช่วยหาให้แต่ต้องรักกันจริงนะต้องซื่อสัตย์ต่อกันห้ามนอกใจกันทั้งผู้หญิงผู้ชายอัตมาไม่ชอบให้ผัวเมียนอกใจกันสมัยนี้มีเยอะประเภทผัวนอกใจเมียเมียนอกใจผัวอย่างนี้ไม่ดีต้องรักกันซื่อสัตย์ต่อกันทำได้ไม่เล่า ได้ครับนายทหารโสดรับคำหนักแน่นแล้วโยมละ่ะทำได้หรือเปล่าท่านถามเสียงใส่หนูอยู่นอกประเด็นค่ะหลวงพ่อหลอนตอบด้วยเสียงใส่ใสรู้สึกอายจนแทบจะแทกแผ่นดินหนีอ้าวแล้วกันอาตมาก็นึกว่าอยู่ในประเด็นหรือผู้พันว่ายังไงครับ ผมก็คิดอย่างนั้นกรุณาช่วยผมอีกครั้งเถิดครับหลวงพ่อช่วยให้ผมได้แต่งงานแต่งการเหมือนคนอื่นๆเขาและผมจะไม่ลืมพระคุณเลยชีวิตนี้ผมขอมอบให้หลวงพ่อเป็นผู้ลิขิตครับนายทหารหนุ่มใหญ่สาธยายจริงหรือให้อัตมาลิขิตจริงๆเน่ะหรือท่านย้อนถามจริงครับรับคำหนักแน่น งั้นก็มาบวชอยู่วัดกับอาตมาแล้วกันจะได้ช่วยกันสงเคราะห์ญาติโยมเขาคราวนี้คนมอบกายถวายชีวิตรีบแก้ตัวว่าผมยังบุญไม่ถึงครับหลวงพ่ออีกอย่างหนึ่งผมต้องรับใช้ชาติทหารเป็นรู้ของชาติหากผมมาบวชเสียรู้ของชาติก็จะแหวงจะโวเป็นช่องให้ศัตรูมารุกรานได้ครับ งั้นก็เป็นทหารต่อไปแต่ทำไมถึงจะต้องแต่งงานด้วยละ่ะไม่เห็นเกี่ยวกับหน้าที่เลยท่านลองใจอีกก็ผมอยากมีหน่อเนื้อเชื้อไขไว้ดำรงวงตระกูลนะครับอีกหน่อยผมแก่เท่าลงรั้วของชาติก็ผุลูกผมจะได้เป็นรั้วแทนครับสรุปว่าที่อยากแต่งงานเพราะอยากมีลูกว่างั้นเถอะ ครับผมรับคำพลางหันไปทำตาหวานใสเสียงใสๆงั้นก็ดีแล้วตรงประเด็นพอดีผู้พันจะได้แต่งงานแล้วก็จะได้ลูกทันใช้เดี๋ยวจะจัดการให้ตกลงนะครับผมขอกราบขอพระคุณหลวงพ่อเป็นอย่างสูงว่าแล้วก็ก้มลงกราบสามครั้งด้วยคิดว่าท่านจะจัดการให้แต่งงานกับคนเสียงใส เอาละถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวอาตมาจะให้เด็กไปตามเจ้าสาวมาให้ท่านหมายถึงนางสาวเตยเจ้าสาวไหนครับถามอย่างผิดหวังท่านเจ้าของกุฏิจึงอธิบายว่าคือเมื่อสี่ห้าวันมานี้มีผู้หญิงคนหนึ่งเขาท้องสี่เดือนจะมาขอบวชทีอาตมาก็ไม่ให้เขาบวช แต่ให้ไปเข้ากรรมฐานอยู่กับพวกแม่ทีเขาท้องไม่มีพ่อผู้พันอยากแต่งงานก็ดีแล้วอีกห้าเดือนได้ลูกทันใจดีไหมละ่ะคราวนี้คนอยากแต่งงานรีบ ป, ปฏิเสธเสียงรัวไม่ครับหลวงพ่อไม่ที่หลวงพ่อเสนอมามันสำเร็จรูปเกินไปผมยังไม่ใจร้อนขนาดนั้นหรอกครับอีกประการหนึ่งหากผมจะมีลูก ก็อยากได้แบบที่เป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของตัวเองโบราณสอนไว้ว่าเอาลูกเข้ามาเลี้ยงเอาเมียงเขามาอมมันไม่ดีครับอ๋ออย่างนั้นหรอกหรืองั้นก็มีอีกคนหนึ่งแต่เขากำลังป่วยไว้ให้เขาหายอัตมาจัดจัดการให้ผู้พันไม่ใจร้อนไม่ใช่หรือนายทหารหนุ่มใหญ่เห็นว่าท่านพูดนอกประเด็นจึงพูดตรงไปตรงมา ตามวิสัยชายชานทหารกล้าผมอยากแต่งงานกับคนที่นั่งข้างหลังนะครับคนสิงส า, สายคนนี้เขาชี้มาที่หญิงสาวสิงสายจ้าหล่อนรู้สึกอายจนพูดอะไรไม่ออกได้ไหมครับหลวงพ่อช่วยผมให้แต่งงานกับคนนี้ได้ไหมครับขวาววนหันไปสบตาหล่อนเลยถูกขว้างค้อนใส่กระนั้นเขาก็คิดว่าหล่อนค้อนได้สวยท่านพระครูจึงพูดเป็นงานเป็นการว่า เรื่องอย่างนี้มันไม่ใช่กิจของสงอัตมาไปยุ่งด้วยไม่ได้หรอกเดี๋ยวจะเป็นอาบัตให้ตกลงกันเอาเองอัตมาไม่ขอเกี่ยวข้องแล้วสองรายแรกทำไมหลวงพ่อจะจัดการให้หล่ะครับนายทหารหนุ่มใหญ่แยง้งสองรายนั่นอัตมาพูดเล่นเพราะรู้ว่าผู้พัน ไม่ยอมตกลงแน่อาตมาอยากลองใจผู้พันเล่นเท่านั้นไม่มีอะไรหรอกเอาละ่ะโยมมีอะไรก็ว่าไปถึงคิวแล้วไม่ใช่หรือท่านพูดกับหญิงสาวสิงใสคุณพ่อคุณแม่ให้หนูม น, นิมนต์หลวงพ่อไปงานทำบุญขึ้นบ้านใหม่ค่ะหญิงสาวบอกธุระที่ไหนเมื่อไหร่ หลอนบอกสถานที่วันเวลาในทหารหนุ่มใหญ่ได้โอกาสจึงพูดขึ้นว่าลุงพ่อครับผมขออนุญาตมารับลงพ่อไปงานนี้นะครับผู้พันไม่ทำงานหรอกหรือวันที่28เป็นวันพฤหัสนี่นะผมลา ง, งานครึ่งวันได้ครับแล้วรู้จักบ้านงานหรือท่านถามอีก ประเดี๋ยวผมจะขออนุญาตลุงพ่อขับรถไปส่งเขาครับบ้านอยู่ทางเดียวกันเขาสรุปง่ายๆหนูขับรถมาคารุงพ่อหญิงสาวเรียนท่านพระครูและคอนให้คนเสนอตัวงั้นผมขับตามไปก็ได้ครับเขาว่าอีกตามใจจะเอาอย่างนั้นก็ตามใจว่าแต่ว่าจำทางให้แม่ น, แ ม, นแม่นก็แล้วกัน เกิดพาอาตมาลงเดี๋ยวจะไม่ทันเริกเขาท่านยำ้ำรับรองครับงั้นผมขอกราบลาเลยนะครับท่านพระครูหยิบสมุดบันทึกขึ้นมาจดแล้วพูดกับหญิงสาวว่าเอาละ่ะอาตมาจดไว้แล้วตกลงโยมจะให้ผู้พันเขามารับอาตมาหรือว่าจะให้ไปเอง นูต้องปรึกษาคุณพ่อคุณแม่ก่อนค่ะหล่อนตอบเลี่ยงไปอีกทางเสร็จธุระแล้วจึงลาท่านพระครูในทหารหนุ่มใหญ่เดินตามหล่อนไปติดๆทั้งที่ฝ่ายหญิงไม่ยอมพูดด้วยเขาเรียกว่าโชคสองชั้นดูเอาเถอะรอดตายมาอย่างปาฏิหาริย์แล้วยังมาได้พบเนื้อคู่ท่านเจ้าของกุฏิพูดกับญาติโยมที่นั่งอยู่ณที่นั้น เขาเป็นเนื้อคู่กันหรือคะหลวงพอ่อสตรีวัย2ี่สิบห้าถามอย่างนึกเสียดายในทหารหนุ่มผู้นั้นท่านพระครูรู้ใจจึงตอบว่าถูกแล้วโยมแต่เนื้อคู่ของโยมไม่ได้เป็นทหารหรอกอยากรู้ไหมล่ะว่าเป็นอะไรอยากค่ะหลวงพ่อกรุณาบอกหนูด้วยเถอค่ะบอกก็ได้เขาเป็นประลัดอำเภอจ่ะแต่ตอนนี้ เข้าไปหลงรักนางเอกลิเกเลิกกันแล้วถึงจะมาเจอโยมเอาละบอกแค่นี้แหละแล้วพูดกับคนอื่นๆว่าเอาละ่ะใครมีอะไรจะถามหรือจะปรึกษาเรื่องอะไรก็เชิญได้ท่านพระครูกวาดสายตาไปทั่วๆแล้วพูดว่าแหมวันนี้คิวยาวจังเสาร์อาทิตย์นี่ ควรจะต้องเพิ่มรอบเช้าอีกสักรอบหรือคนจัดคิวว่ายังไงท่านถามนายขุนทองซึ่งนั่งสัปงกอยู่เบื้องหลังอา้าวหลับหรือขุนทองเอ้ยเรียกด้วยเสียงปกติหากก็ทำให้คนถูกเรียกถึงกับสะดุง้งลุงลุงมีอะไรให้หนูรับใช้หรือฮะเขาถามก็ชงน้ำชา ก, กาแฟแจกเคกหมดทุกคนแล้ว ไม่น่าจะมีงานอะไรอีกข้าถามว่าวันเสาร์วันอาทิตย์นี่น่าจะเพิ่มรอบเช้าอีกสักรอบเกรงใจญาติโยมเขาที่ต้องมาคอยนานหรือเอ็งว่ายังไงก็ดีฮหอหลงลุ ง, ลงหนูก็กำลังจะปรึกษาหลุงลุงอยู่เหมือนกันสงวันนี้เป็นวันหยุดคนมักจะมาเม่าเป็นพิเศษแต่หลุงลุงคงต้องเหนื่อยเพิ่มขึ้นอีก ทุกวันนี้ก็ได้จำวัดแค่วันละสองชั่วโมงเท่านั้นหนูไม่อยากให้ตรากตรำจนเกินไปเดี๋ยวหมอรู้เข้าจะมาว่าหนูดูแลไม่ดีอีกแล้วอีกอย่างพูดยังไม่ทันจบท่านพระครูก็ขัดขึ้นว่าพอ่พอพ่อไม่ต้องร่ายยาวแมมข้าถามนิดเดียวตอบเสียยาวยืดเลยสมชายไปไหนไปบอกมาดูรถได้แล้ว สักพักข้จะไปงานศพท่านสั่งการหลานชายลุกออกไปแล้วจึงพูดกับญาติโยมว่าลูกสิทธิ์วัดป่ามะม่วงมีทุกแบบเลยโยมจะเอาแบบไหนละ่ะอย่างว่าแหละที่ดีๆเขาก็ไม่มีเวลามารับใช้ที่มารับใช้ก็ไม่ค่อยจะเต็มบาทเต็มเต็งสักเท่าไหร่ก็ต้องทนทนกันไปเอาละ่ะ ใครมีอะไรก็ว่าไปหลวงพ่อคะหนูมีปัญหากับแม่ผัวคะ่ะสตรีอายุสามสิบเศษเอยหล่อนมากับน้าสาววัยห้าสิบปัญหายังไงเละโยมไหนว่าไปสิหล่อนไม่พูดหากนั่งร้องไห้กระสิกกระสิกคนเป็นน้าจึงพูดแทนว่าแม่ผัวเขาร้ายคะ่ะหลวงพ่อแกล้งใช้งานสารพัดแถมยังถ่ายเงินใช้ พอลานชั้นหาให้ไม่ทันก็ยุลูกชายให้มีเมียมใหม่แรกๆกลูกเขาก็ไม่เชื่อแม่เขาแต่ตอนนี้กําลังจะเชื่อคะ่ะจะทำยังไงดีคะหลวงพ่อแล้วโยมรู้ได้ยังไงว่ากําลังจะเชื่อท่านย้อนถามก็เคยมาขอหย่าจากหลานชั้นนะสิคะเขาว่าเขาเห็นแก่แม่หาว่าหลานชั้นไม่ดีกับแม่เขาคนเป็นนะ้าอธิบาย ขออย่าก็อย่าไปเลยจะได้หมดเรื่องหมดราวได้ยินดังนั้นคนเป็นลูกสะั้ยก็ร้องไห้หนักขึ้นท่านพระครูจึงปลอบว่าใจเย็นๆนายโยมอาตมาลองใจเล่นเท่านั้นเดี๋ยวจะบอกวิธีแก้ให้รับรองว่าไม่ต้องอยาท่านรู้สึกเห็นใจหญิงสาวเพราะรู้ซึ้งถึงหัวอกของคนเป็นสะั้ย ที่มักจะถูกแม่ผัวกั่นแกล้งในเจ็ดชาติที่ท่านระลึกนึกย้อนถึงอดีตได้นั้นมีชาติหนึ่งที่ท่านเกิดเป็นสภัายเขาแม้จะล่วงการผ่านพน้นมาแสนนานขนาดข้ามพบข้ามชาติหากท่านก็ยังจำความขมขื่นในครั้งนั้นได้ดีจึงให้ข้อคิดกับคนฟังว่าญาติโยมโปรดจำไว้แม่ผัวกับลูกสะายนั้น มักจะเป็นคู่เวรกันมาตั้งแต่ครั้งอดีตชาติรายไหนก็รายนั้นที่จะดีต่อกันอย่างจริงใจนะ่ะหายากเต็มทีถ้าใครมีแม่ผัวดีต้องกราบเช้ากราบเย็นเชียวนะแล้วก็คุยได้เลยว่าเป็นคนโชคดีที่สุดในโลกอาตมาเข็ดแล้วไม่ยอมเป็นลูกสะภ้ยใครอีกแล้ว ผู้ที่นั่งฟังพากันหัวเราะคนเป็นลูกสะพ้ยก็หัวเราะทาั้งน้ำตาฟังแล้วห้ามเอาไปพูดต่อนะสมัยที่อาตมาเป็นลูกสะพ้ยเขานะ่ะโอ้โหลาบากอย่าบอกใครเลยแม่ผัวเขาใช้งานไม่พักข้าวก็ให้กินทีหลังกับข้าวก็ไม่มีอาตมาเลยต้องกินข้าวคลุกน้ำตาทุกวัน ถึงตง้องหนีมาบวชไงละ่ะคนฟังหัวเราะอีกด้วยคิดว่าท่านพูดเล่นท่านเองก็ต้องการให้เขาคิดเช่นนั้นเพราะหากจะบอกว่าเป็นเรื่องจริงก็จะกลายเป็นว่าท่านอวดอุตริมนุสธรรมพวกแม่ผัวนี่ทำไมมันถึงได้ร้ายนักนะคะหลวงพ่อนี่ดีนะที่เป็นหลานฉันถ้าเป็นฉันละอืม่มหล่อนขอบเคี้ยวเคี้ยวฟันโยมจะทำยังไง เกิดโยมเป็นสภัายและโดนแบบนี้จะแก้ปัญหายังไงท่านซักอย่างนึกสนุกฉันก็จะถลกหนังหัวแม่ผัวมาทำกลองนะสิคะคนฟังหัวเราะชอบใจท่านพระครูเองก็ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่โชคดีที่ไม่มีแม่ผัวนั่งอยู่ณที่นั้นแม้แต่คนเดียวมิฉะนั้นก็คงสนุกกันยกใหญ่โอ้โห คิดเหมือนอาตมาเปียบเลยตอนนั้นอาตมาก็คิดอย่างที่โยมว่ามันนี่แหละแต่เดี๋ยวนี้เลิกคิดแล้วพอมาเป็นพระเลยเลิกคิดแม้ฉันชักอยากจะเป็นลูกสะพ้ยเขาซะแล้วสิหลวงพอ่อคนเป็นน้ารู้สึกดังที่ปากพูดอย่างนั้นรึตอนนี้โยมอายุเท่าไหร่แล้วละ่ะห้าสิบค่ะ สาววัยเที่ยงคืนตอบ อ, อายุห้าสิบยังคิดอยากจะแต่งงานอยากจะเป็นสภัายเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงพูดยิ้มยิ้มบุรุษและสตรีที่นั่งในที่นั้นต่างก็มีใบหน้าอันเปื้อนยิ้มด้วยกันทุกคน